ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระมหาเชนนกที่ค้างไว้สำหรับในวัยก่อนคงค้างไว้ตอนนี้กระมังเพราะว่าตอนที่ท่านนาวสีบรีเลือกโคโดยท่านใช้วิธีทดลอง เหมือในความจริงท่านเป็นหญิงที่มีความเฉลหลาดสงกัศักดิ์ศรีที่เป็นลูกของพระราชาคือว่าบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปแม้การเลือกคู่อย่างนี้มันต้องคิดเหมือนกันนะสำหรับ น, นางศีวลีนี่ถ้าใครชวนเข้าโรงแรมคงจะไม่เข้า เป็นเวลาคนนี้ถูกเลือกเข้าไปให้พระราชวินดาทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งก็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องให้ ให้ทําเป็นเหมือนคนบ้าจี่ก็ทําทในที่สุดก็ถูกพระราชินดาขับไล่ออกไปจากพระราชวังหมดวันนั้นมาจบลงตรงนี้ตอนนี้ไปก็อยากขอนำเอาเรื่องคือใช้เรื่องเนื้อความให้มากคงจะมีอะไรแทรกน้อยเพราะท่องเรื่องคนท่านดีอยู่แล้วเนื้อความต่อไปนี้ก็มาอยู่ว่า อา마ทผู้ใหญ่ไม่เห็นว่าไม่มีใครจะทำให้พระให้พระราชิดาทรงโปรดปรานได้แล้วจึงหันเข้ามาประสาหาหรือกันว่าเราควรจะมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ที่มีความสามารถยกสหสัทโน หมายความให้ยกธนูที่มีกำลังคนยกพันคนได้ซสานสาก็าาาาปว่าพั น, นยกหัสตาห์ามะธนูอ ย, ย่างนี้ญาติโยมฟังไม่รู้เรื่องเป็นอวัธนูคันนี้คนหนึ่งพันคนจริงจะยกขึ้นได้แล้วก็เมื่อเขายังกล่าวไปว่าเมื่อประกาศหาผู้ที่มีความสามารถยกธนู เป็นน้ำมันหลงพ่นนางไม่ชอบและทั้งหมดตอนนี้หาคนที่มีกำลังมากคนยกธนูขึ้นก็ไม่มีใครจะยกได้เสียอีกแหมก็ต้องยกพันคนและคนหนึ่งคนไปยกมันนอกจากคนที่มีบุญวัสนนามรเมีจริงจริงหาคนยกไม่ได้ให้หาผู้ที่จะรู้จักัวนนอนบรรลังสี่เหลี่ยมก็ไม่มีใครรู้ ผู้ที่สามารถจะรู้จักคุ้มทรัพย์นำทรัพย์สิบสามแห่งมาได้ก็ไม่มีใครสามารถอีกเมื่อหาผู้สามารถไม่ได้สักอย่างเดียวบรรดาทานอาหมาจีบทศากันว่าจะทําอย่างไรดีบังแคว้ น, วนที่ไม่มีพระราชาปกครองคงจะลําบากนี่คนสมัยโบราณเขาคิดอย่างนี้ แต่สมัยนี้ก็ถือว่าประเทศที่มีพระราชาล้าสมัยเขาว่าอย่างนั้นความจริงนี่ความดีและไม่ดีมันไม่อยู่ที่ฐานะและตำแหน่งมันอยู่ที่ความดีประเทศชาติจะดีไม่ดีได้นั้นมันอยู่ที่คนฉชนหลักบริหารเมืองเช่นนั้นบริษัทผู้เป็นที่นับถือของราชสานักจ้งหนี้กล่าวแก่หมาท่านไหลว่าท่านท่้ไหล จงอย่าวิตกไปเลยเราควรจะเสี่ยงหมดยราชนรสออกไปเอาสิหมดเสียราชรสออกไปเนี่ยตัวนี้ราชรสมาราชาเนี่ยพระราชาเคยลดตาแหน่งประจําตําแหน่งของพระราชาปรเดี๋ยวก็ยุ่งฟังกันไม่รู้เรื่องที่คุยนี่ก็อยากจะคุยก็โน้ลูกหลานหลานโนลูกหลานหลานจะได้ฟังชาดก ก็นิทานเก่าๆ เ, เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระมหาชนกจะบอว่าสเสมอไปชาติเป็นมหาชนกเป็นหลานจะไม่ลกูกหลานจะไม่รู้เสอีกนี่ขอลูกหลานเล็กๆจึงจ ำ, ำว่าคำว่าเสมอไปชาติเป็นมหาชนกก็คือเกิดชาตินั้นมีนามว่าพระมหาชนกคนหนึ่ง เพื่อผู้ที่เชิญสเสด็จมาด้วยบทจราชรสเพื่อรส ร, ราชานั้นเพราะผู้ที่เชิญสเสด็จมาด้วยราชรสนั้นสมควรจะเป็นปราชาของคฟองราชสมบัติในชมพูทวีปได้ไคําว่าชมพูทวีปก็เป็นทวีปที่เราอยู่กันเองสมัยก่อนก็บอกมีต้นชมพูใหญ่เป็นพิเศษสมัยนี้มีคนน้อย คนมาเจอดินแด น, นนี้เข้าจึงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกกันว่าชมพูทวีปเพราะว่าเป็นทวีปรละเป็นถิ่นฐานที่มีต้นทวีปเป็นสัญญาณไอ้ต้นชมพูเป็นสัญ ล, ลักษณ์ลูกหลานจําไว้ดีนะจะได้ทราบเมื่อคนทุกคนเห็นชอบตามที่ท่านประยิทธพูดจึงนิเตรียมราชรถเทียมมาขาวสีมา จัดพระที่นั่งบนราชรถมีเครื่องราชกกุปพันฑ์ทั้งห้าประดิษานบนรถเครื่อราชกกุปพันฑ์ทั้งห้าบริการนี้จะมาทิบายว่ามีอะไรบ้างเป็นอนาบะคนที่จะเป็นพระราชาจะต้องประกอบไปเครื่องอย่างนี้ครบถ้วนตามฐานะแต่วความจริงมีแล้วไม่ได้ใช้เราเก็บไว้เฉยๆเป็นเครื่องบรรดาปรมี ถ้าพูดกันไปทีก็ไม่ต่างแล้วก็เศษเหล็กและสิ่งของที่เป็นเศษเศษก็มีว่าโกโก้แบบทั้งไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องมีนะนี้เมื่อจัดของไว้บนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดตาจาตรงกระเสษนาเวชรอมราชรถเป็นลูกหลานที่รักสำหรับเด็กเด็่ยังไม่ทราบ คำว่าจาตุรงเกษนานี่หมายถึงว่ากองเกียรติยศสี่เหลา่าในที่นี้จะได้ว่ากองทัพสี่เหล่ามันก็จะเกินไปถ้าว่าเป็นกองเกียรติยศสี่เหล่าก็คือหนึ่งคเดินเท้าสองขี่มา้าสามคนกำลังพลขี่รถสี่กำลังพลขี่ช้าง เรื่องคนเดินเท้าคนขี่มา้าคนขี่ช้างคนขี่รถเป็นขบวนไปเนียขบวนสี่เหล่าก็แล้วกันนะหลกหาอนเทลักจะได้ทราบแล้วก็มีประโคมดนตรีไว้เบื้องหลังคือเครื่องประโคมดนตรีจากขบนวนใ้เบื้องหลังโดยตามธรรมดาว่าถ้ามีพระราชาประทับบนราชรถนั้นเครื่องประโคมต้องไปตั้ง ต้องนำไปอยู่ข้างหน้าหมายความว่าเครื่องประคมณยังเขาแหนหน้ากันเวลาเขาแหนหน้าเนี่ยเาแ ห, าแหเครื่องประคมเครื่องแหกระบนแทนมีผ้ากรองยาวแกลวงเขาอยู่ข้างหน้าถ้าไม่มีพระราชาต้นจากเครื่อ ง, งบนประเพรนี้ไว้ข้างหลังตามประเพรนีเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เอายังไงล่ะแล้วก็เอาพระเต้าทองลินน้า ประพรมอ๋อเอาพระเต่าทองของพระราชามาริ น, น้ำารัก็พรมสายหนังเชือกแอกประตักเชือกสำหรับบังคับมา้าแอกสำหรับใส่คอมา้าประตักคือเป็นไม้ไม้ตีม้านะ่ะแต่ก็มีด้านหนึ่งแหลมๆถ้าม้ามันตีดื้อๆกับประตักแทงจักกรมมันเจ็บมันก็วิ่งตื้อไป ต่อไปก็พากันตั้งสติญาติฐานตามประเพณีว่าถ้าหากผู้ใดมีบุญญาธิการสมควรจะครองราชสมบัติคอยราชรถจงไปยังที่อยู่ของบุคคลคนนั้นเถิดที่เขาเรียกคำว่าราชรถมาเกยเมื่ออธิฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยราชรถไปหมายความว่าราชรถนั้นปล่อยให้ม้าลากไปตามลาพัง คนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปบังคับมาจะไปทไหนกองเกตียก็ยตามไปทางนั้นเมื่อราชรถออกจากพระราชมณีนหรือออกจากพระราชวางังเล่นไปเล่นเข้าทางหลวงหมายว่าทางนี้ก็ททำเปียนเตี่ยนถนนออกจากพระรครนเล่นตรงเข้าไปในพระราชวิญญานหรือเข้าไปในสวนของพ ร, ราชา แล้วก็หยุดอยู่ตรงแผ่นศิลาเป็นมงคลตอนนี้เข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็ดีลูกหลานที่รักที่ฟังมาแล้วก็ดีคุณจะจำได้ว่าแท่นนี้พระ น, นางมณีเมขลาเอาพระมหาชนกมาวางให้นอนไว้ันนี้เป็นนั้นว่าบโริิตีตามไปดูราชรถทั้งหยุด เห็นบรุษผูหนึ่งนอนหลับอยู่ยังได้เรียกผู้อหมายข้ามาแล้วชี้ให้ดูบรุษคนนั้นที่กำลังนอนหลับอยู่บนแนหินทพา่อจะพากันพูดกันว่าบรุษผู้นี้นี่เราไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเราก็ยังรู้ไม่ได้ว่าเขาสมควรที่จะเป็นพระราชาของเราหรือไม่ นี่เป็นอันว่าเขาเสี่ยงะะราชรสแล้วเนี่ยเขายังไม่เชื่อะะราชรสเนี่ยเขามีปัญญาจริงๆเขามีความรอบคอบจะต้องทดลองกันก่อนจะนิพพสากว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราจะลองบุรุษคนนี้ดูก่อนวิธีลองก็คือให้วงดนตรีประโคมเข้นไปพร้อมกันถ้าบุรุษผู้นนี้แล้วคนนี้มีปัญญา ก็คงจะสงบไม่ลุกขึ้นนี่ก็ไม่แลดูถ้าเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาเป็นคนกลาได้กินหนีที่หาความดีไม่ได้ก็จะตกใจรีบหล่นลานลุกขึ้นหนีไปเพราะว่าขบยาวปญญาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรและไม่เคยพบก็จะเล่นอีท่านไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีคนหนีไปเลย หรือบางทีดีไม่ดีกันลุกมาจ้องมองโดยโเขาเล่นอะไรกันหวานนี่ลูกหลานเด็กๆที่ฟังแล้วก็จําเลยนะการใช้ปัญญานี่มีความสําคัญมากความฉลาดเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขถ้าเราโง่ก็มีความทุกข์เวลานี้เราอยู่ในบ้านในเมืองสบายแล้วจะกินเมื่อไรจะดูเมื่อไรจะเล่นเมื่อไรจะไปดูหนังดูละครเมื่อไร จะไปเที่ยวแต า, ากาศที่ไหนพักผ่อนหย่อนใจเล่นกับพวกยังไงแล้วก็ทําได้เธอก็ชวนบอกว่านี่เข้าป่าไปเป็นได้าหารมากู่เมืองเธอทหารมารบกับพวกเราเองมาหาวิธีปกครองกันใหม่แบบประเภทเป็นท้ายกันทั้งชาติอย่าเอากับเขานาลูกนะลูกหลานที่รักจงอย่าไปกับเขา เราอยู่อย่างนี้สบายเราอยากจะไปป่าเมื่อะไรเราก็ไปได้เข้าป่าแล้วที่เกียดอยู่ป่ากลับบ้านแล้วก็มาได้จะไปเที่ยวเมืองไหนเราก็ไปได้กินเท่าไรก็ได้ถ้าไม่เชื่อเขาแล้วก็เวลาที่เขาให้กินก็ให้กินจํากัดสมมุติว่าเราไม่เราไม่มีไม่ไม่อยากกินใบนโห่ก็ให้ใบโหเราก็ต้องกินเขาให้กินน้าพริกกับหน่อไม้ซึ่งไม่มีกะปิน้ำพริกแลเราก็ต้องกิน กินตามเขาสั่งทำงานตามเขาสั่งจะเที่ยวหรือจะเล่นเขาบอกก็เล่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้แล้วก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้ในเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่เวลานี้เราไปอิสระภาพแล้วจะไปตามตามเขาเลยปล่อยเขาใครเขาอยาลำบากเขาช่างเขาเวลานี้เราสบายมีความสามัคคีมีความรักเชื่อบิดามันดาเชื่อครูบาอาจารย์ แต่ก็ระวังครูเดี๋ยวนี้ก็เชื่อไม่เพิ่นได้บางทีครูเองก็ได้ย้ำและย้ำก็นต่างเยอะไปจงเชื่อแต่ครูที่ดีครูเลวจงอย่าเชื่อแล้วก็คุยกันเรื่องพระมาของพระมหาชนกต่อไปเขาบอกว่าถ้าเป็นคนโง่และเป็นคนเลวก็ละกินีก็คือ ค, ค, คนเลวก็อย่าตกใจรีบลนลานลุกหนีไป เมื่อหมายเมื่อบุรุษหิตพูดเจริญจึงถามว่าพวกท่านจะเห็นด้วยไหมเอาไหมทานเนี่ยถ้านนัานมาท่านหลายก็บอกว่าเอาสมุทรหิตีว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเรามันพูดเดียวกันเนี่อยากจะเป็นพระราชาก็เป็นไม่ไดส้สมเด็จพรนนางเจ้าท่านก็ไม่เล่นด้วยพระองคเธอเ้นแต่โอเคก็พวกเราก็ไม่ต้องหาใครที่ไหน ใเมื่อท่านไม่ยุ่งกับเราเราก็ต้องเล่งในท่านี้แหละฉะนั้นท้าบริหิทิจึงให้วงดนตรีทั้งหลายบรรเลงขึน้นพร้อมๆกันเสียงดนตรีก็ดังสนั่นบวั่นไหว้ก็คึ้ไปทั่วพระราชฐานโอ้โหดังจริงๆสำหรับพระมหาชนกทรงได้ยินเสียงดนตรีก็ทรงตื่นจากปัรทม เปิดผ้าคลุมทอดประเนษเห็นราชรถแหมรถสวยอารามเป็นทองทั้งหมดก็ทรงนิรบาเราคงจะได้เป็นพระราชาครองราชสมบัติเมืองนี้แน่แล้วนี่คนดีเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่าเป็นลูกพระราชา ต, าา ต, าตาั้งนาตั้งตาเรียกรเบ็นการใหญ่ฝึกฝนทุกเสียงทุกอย่าง ทห้งการปกครองทั้งเศรษฐศาสตรส์และเต๋ศาสตร์ยุทธศาสตรส์โอศินปศาสตร์ทั้งหมดศึกษาหมดครอบทนพร้อมแล้วที่จะเป็นพระราชามาตอนนี้มาเจอเข้ากับทราบแล้วเราคงจะเป็นพระราชาแต่แทนที่ท่านยังมองดูจ้องนานและลูกกันดูเขาเต็เงเขารําท่านก็กลับเอาผ้าคลุมพระเสียรอย่างเดิมขมหัวนะลูกลัก ลูกหลานที่รักพระสิงค์ก็คือหัวทำภาคคุมพระเสียนอย่างเดิมพลิกพระวรกายคือพลิกตัววรกายแล้วกายวรคำเราประเสริฐกายประเสริฐก็คือพลิกตัวนั่นเองพลิกพระวรกายบรรทมต่อไปคำว่าบรรทมแปลว่า น, นอนนอนต่อไปมิได้ส่งแสดงการตื่นเต้นตกใจแต่อย่างไร สำหรับบริตจริงได้ตรงเข้าไปเปิดผ้าคุมพมบาดขุมพมบัดก็คือเท้าเปิดผ้าคุมพมบาดตรวจดูลักษณะเห็นลักษณะต้องตามพยากราศาสตร์ว่าพยากราศสาสตร์ศาสตร์นี่ก็แปลว่าความรู้นะพยากรครับเราทํานายวิธีวิชาหมอดูนั่นเองพยากราศาสตร์ ก็ต้องตามหลักของวิชาหมอดูหรือวิชาโหราศาสตร์ว่าบุรุษที่มีลักษณะเช่นนี้อยาวว่าแต่จะครองราชสมบัติเพียงทวีปเดียวเลยต่อให้ปกครองทั้งสี่ทวีปก็สามารถจะครองได้จึงประกาศลักษณะให้มนดามหาชนนั้นหลายที่มายืนรอฟังอยู่ครับทราบ แล้วก็ให้ดนตรีเปิดโคมขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระมหาชนกทรงเปิดผ้าคลุมทอดระเนนรดูหน่อยหนึ่งแล้วก็ฟิกพระวรกายบรรทมต่อไปอนอนต่อแหมนี่ตีต้องแมมแม่ควจะชื่อว่าพระมหาบรรทมนะนอนจริงๆ มันเลงครั้งแรกก็ไม่ไม่ไม่เอาด้วยมันเลงครั้งหลองครั้งสองไม่เอาด้วยนี่ความฉลาดแบบนี้ลูกหลานที่รักจงจำถึงแม้ว่าจะเป็นของโบราณของสมัยไหนก็ตามท่านดีควรจะนำไปใช้ท่านเลวอย่าใช้ให้แบบพว่ประเภทลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อย่าแจะิปเป็นท่ายเราทั้งบ้านทางเมืองนะยายาอย่าไปเชื่อเขามันลำบากอยู่กับพ่อกับแม่ส บ, บายกินมาไรนอนมาไรคนได้ฉะนั้นเลหตจินว่าบรุษพผู้นี้มีบุญญาที่การสมควรจะได้ราบจิสมบัติจึง น, นั่งลงกราบถวายพรงโคมแล้วกล่าวว่าขอเดชะใต้ฝ่าระ อ, องทุนดีระบาท ขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดบัดนี้ราชาสมบัติแห่งเมืองมิเทลามหานครได้มาถึงพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าข่าพระมหาชนกได้ฟังแล้วจึงในทรงตรัสถามรุปริตว่าพระเจ้าอยู่หัวของท่านไปใช่ไหนเล่าเอ่ออีจึงกราบทูลว่าราชาเมืองนี้ ได้สเสด็จสวรรคตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระมหายาณกจิจเนต ถ, ถามต่อไปว่าพระราชโอรสหรือว่าพระบรมวงศ์สานุวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวนะ่ะไม่มีกหรือพรโลหิตจนตถถินีกลาวทูลว่าขอในชะพระราชโอรสไม่มีมีแต่พระราชธินดาพระองค์เดียวพระเจ้าค่ะ พระหาโยนกินในทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจะครองราชสมบัติแล้วก็เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งบนแท่นหินอันเป็นมงคลความจริงท่านนอนอยู่นะจะนึกว่าหินนั้อยู่ที่ไหนถ้าแท่นหินน่ะแท่นหินเขาทสยสวยๆของพระราชาประทับข่านั้นมหาชนพร้อมไม่ได้เสนาหมาราชบริหิต จังสีอบอกราชฤทธิ์ตาใจคือบรราชารวิหิตนักอาจารย์ทั้งหลายตังก็ถวายราชาพิเศษพระมหาชนกนาทีนั้นราชาพิเศษหมายมอบหมายความเป็นพระราชายแกพระมหาชนกแล้วก็ทูลขอพระนามของพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ชื่ออะไรทูลขอพระนามถามชื่อนะทูลขอพระนาม มหาชนกกตัดว่าเราชื่อมหาชนกบรรได้มาดพวกนั้นก็ตกใจบอกเอ๊ะพระราชพ่อของป็นราชาองค์นี้ก็ชื่อว่ามหาชนกบุตรคนนี้กลับชื่อมหาชนกหน้าตัวพระราชองค์นั้นจะกลับมาเกิดกันมั้งนึกเอาเองนะน้งสือไม่ได้ว่ายัางไงเขาคงจะสงสัยกันมันไปชนกันได้ยังไงแปลก เอ่อเต็งเต็งเมื่อในเมื่อพระองค์ทรงตัดต่อว่าเราชื่อมหาชนกบัดนี้ท่านนั้นหลายจะจัดพิธีราชาวิเศษเกันเราแล้วเราจะมีชื่อว่ามหาชนกราชาแน่ขอชื่อนะยกตั้งให้เป็นพระราชาไม่ได้ชื่ออะไรให้ตั้งเราเองท่านบอกว่าเราชื่อมหาชนก ในเมื่อท่านให้เราเป็นพระราชาเราก็จะต่อท้ายเที่ยงนิดว่ามหาชนกราชาหรือว่าพระราชามีนามว่าพระมหาชนกเมื่อพระมหาชนกก็อะไรนี่เมื่อพระมหาชนกได้สเสด็จเข้าโศกในครก็ตรงเข้าพระราชมนเทียนเลยเข้าพระราชมนเทียนเข้าวังนะ เวลานี้เขาได้วังเ้าได้เข้ามาในวังถึงฝ่ายในทันทีไหมว่าถว่วเมือง น, นี้เป็นเมืองของฉันแล้วฉันจะไปไหนก็ได้เป็นพระราชาที่ยังเป็นเจ้าของบ้านความจริงท่านไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไปเชิญท่านมาเป็นเจ้าของท่านก็ต้องเป็นเจ้าของมาตอนนี้ก็จะกล่าวถึงบัานางศิวรีราชิติดา จึงทรงทราบว่าเสนามหม่ขราราชบริพาลพระโรหิตทั้งหลายได้จัดราชาพิเศษเป็บุษคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาจึงนี้แลก็ทรงพันนามว่าพระมหาชนกบัดนี้พระมหาชนกได้สเสด็จเข้ามาในพระราชวังฝ่ายไหนแล้วจึงได้ทรงนำฤทธิ์ที่จะทดลอง ลองบัญญาติกันอีกเอารู้ที่ว่าใครจะก่งกันตอนนี้ได้สนุกกันใหญ่ลนะจะวิ่งหรือไม่วิ่งจะเต้นหรือไม่เต้นจะโดดหรือไม่โดดก็ได้ดูกันละจึงได้ทรงนริที่ยาทดรองจึงรับสั่งเี่บโรดคนหนึ่งถ้ามาเฝ้าแล้วตัดว่านี่เนี่ยพระคุณเจ้าจงไปทูลพระมหาชนกกว่าเระนางศิวรีราชิด มีพระประสงค์จะส่งพบขอให้โปรดรีบสเสด็จไปเฝ้าโดยโด ย, โดยเร็วเถิดนั่นไงเอาคนแล้วข้อหนึ่งมาแล้วไหมละ่ะสำหรับราชบุรุษก็คือข่าราชการที่รับใช้มหาเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวลูกหลานจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อมหาเล็กรับใช้ไม่รับกระแสรับเมื่อรับกระแสรับสั่งดังนั้นแล้วขอพนางแล้ว ยังได้ไปเฝ้าพระมหาชนนกแล้วกราบทูลตามที่บรรดาสั่งตอนนี้ดูปัญญากันนะลูกหลานที่รักถ้าอย่างเราเราดีไม่ดีก็วิ่งตือ่อมาสาวสาวเรียกนี่โอ้โหนางสาวสาวคนนี้ก็จะเป็นพระราชนีในวันหนั้นนึกว่าท่านเรียกก็หวานจ่อยแล้วเอาไปเลยดีกว่าไปแล้วไม่ไปฟังเองก่อนยังไม่ไปกระมัง เมื่อพระมหาชนกทรงสนับคำกราบทาลูลของราชบรวรคือมหันตเล็กก็ทรงทาเป็นไม่ดีินเสียงเอาสะสิแน่เล่นตัวแสนด้วยทรงเสียแซงทำเป็นชมประสาทว่าแม้ประสาทหลังนี้งามงามโดยาการดีจริง ๆ, ๆนะเป็นบุญของเราจริงๆ เห็นได้มาอยู่ประสาทสวยสดกับงามแบบนี้แม้พระรแม้ท่านตามท่านตำนานท่ากล่าวว่าถึงแม้ว่ามหาเล็กคนนั้นจะกราบทูลเนี่ยสองครั้งสามครั้งก็ทรงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเช่นนั้นราชบัุตหรือว่าันเล็กเห็นว่าพระราชาไม่ทรงสนพระไทยในคำกราบทูลของตน ยิงกลับไปเฝ้าพระราชธิดานื้นกราบทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้าหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสรับสั่งของพระนางเจ้าแล้วพระเจ้าข่าแต่ถ้าว่าพระราชาไม่ทรงสนพระไทยในถ้อยคํากราบทูล น, นั่นเลยกลับทรงชมเชยพระสาทยอยตลอดเวลาพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆก็น่าคิดนะ คนป่าเข้าเมืองนี่มันก็น่าชมท่าจะคิดมันไปอีกทีมันก็ชมอย่างนั้นมันก็ถูกตอนนี้มาพระราชเทวีเอพระชายาพระราชจิติน ด, ดาสนาเรื่อว่าราชาองค์นี้ฉลาดมากได้ทรงสง่งมหาเล็กไปกราบทูลเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่สำเร็จไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จจึงเรียก เป็ น, นั้นว่าจึงคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปว่าพระราชาองค์ใหม่นี้จะทำยังไงเป็นนั้นว่าจะทำยังไงดีลูกหลานที่รักนี่เวลานี้เหลือเวลาอีกนาทีเสิบสิบมันจะหมดเวลาถ้าจะคุยกันต่อไปก็เห็นว่าจะไม่เข้าท่าฉะนั้นในตอนนี้ก็มีเวลาอีกนิดหน่งหนึ่งนาทีก็ขอคุยกับลูกหลานที่รัก ที่กำลังนั่งฟังว่าเรื่องปัญญาเนี่มีความสําคัญลูกหลานฟังเรื่องราวชาดกที่นํามาเล่าสู่กันฟังนี้อย่าลืมว่าไม่ได้มีความหวังตั้งใจจะให้ลูกหลานฟังไปเป็นนิทานอย่างเดียวต้องการให้เป็นความรู้ด้วยจะได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์และวิธีการลอกแบบของคนดีมีปัญญานี่ยมีประโยชน์มาก ทั้งนี้พ่อไหญ่เวราความดีที่เขาทำแล้วนั้นถ้าเราเหินงเขา้าเราไม่ต้องคิดใหม่เอาความดีของเขามาใช้แล้วก็ใช้ใหเหมาะสมกับกาลสมัยอย่างนี้จะเป็นความจะเป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขจะบริโภคได้ทรัพย์สินจะมีเพื่อนมากจะมียศฐานมันดาสักมีแต่กูลดีมีความสุขตลอดกาลตลอดสมัย อบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอลากรขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบนนูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักสวัสดี